พิธีกรรมไล่ผีแบบหลวงพ่อในหลักฐานข้อมูลที่ได้มาผีเข้าสิงคนเขาเอามาที่กุฏิหลังนี้แหละพอมาหลวงพ่อไล่ผีให้หน่อยไม่เคยเห็นผีสักทีจะไล่มันยังไงมันเข้าสิงคนเออถ้ามันสิงคนไปน่ ไปหาหลวงตามีไปหลวงตามีอยู่กุฏิหลังวัดหลวงตามีก็ท่องมนไล่มันพอขึ้นต้นบทไหนผีมันท่องจบไปก่อนหมดทุกบทเลยจนหลวงตามีไม่มีมนจะท่องแข่งมันมันก็ชี้หน้าด่าเอาหมดภูมิแล้วเหรอมีอะไรมาท่องแข่งกันอีกลำพังจะให้ท่องมนเนี่ยนั่งท่องอยู่เนี่ยสามวันสามคืนไม่รู้จบนะเรียนมาพอแรงแล้ว มันว่ามันบอกว่ามนเนี่ยไม่กลัวหรอกเรียนมาพอแรงแล้วกลัวแต่ความดีสักพักหนึ่งเขาก็พามันมาหาหลวงพ่ออีกหลวงพ่อถามว่ามันยังไม่ออกเหรอมันไม่ยอมออกหลวงพ่อท่านท่องวนขับไล่มันมันก็ไม่ยอมออกมันบอกว่ามันไม่กลัวมันยังท่องมนแข่งหลวงพ่ออีก จนหลวงพ่อแพ้ท่องแข่งมันไม่ได้มันก็บอกว่ามันไม่กลัวหลอกมนมันกลัวแต่ความดีที่มาเนี่ยไม่ได้มาร้ายหรอกมาอาศัยร่างจะไปกราบหลวงปู่พุธสมัยเมื่อเป็นคนได้เคยขโมยของท่านจะไปให้ท่านอาโหสิกรรมให้มันว่าพ่อมาหลวงพ่อก็เทศให้มันฟังนี่เจ้าเป็นพูดผีปีศาจร้าย เข้ามาสิงายมนุษย์ทำให้จิตใจเขาไม่ปกติไม่เป็นอันธรรมมาหาเลี้ยงชีพเจ้ากําลังสร้างบาปกรรมจะลงนรกนะเจ้าเป็นผีแล้วก็ทุกขนาดนี้ยังจะสร้างบาปลงนรกอีกรอหรือเจ้าทำผิดอะไรต่อข้าข้าอโหสิ ก, กรรมให้หมดไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมบุญกุศลสิ่งใดที่ข้าบาเพ็ญมาตั้งแต่แลกจนแกข้าขออุทิศให้เจ้าเป็นผู้มีส่วน อนุโมทนาบุญกับข้าแล้วไปเกิดดีถึงสุขเสียขาดคาผีออกทันทีเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ตามดูผลว่ามันออกจริงหรือเปล่าตามดูก็ปรากฏว่ามันไม่เคยมากวนอีกสักทีเพราะฉะนั้นจึงได้ข้อมูลมาว่าคนบางคนเขาว่าทําบุญและอุทิศส่วนกุศลไม่สวดอิมินา ญาติที่เราอุทิศไปให้ไม่ได้รับเขาว่าอย่างนั้นหลวงพ่อก็บอกว่าอิมินามันเป็นภาษาแขกผีไทยมันไม่รู้ภาษาแขกหรอกพูดกันอย่างภาษาไทยเนี่ยมันฟังเข้าใจกันดี